การททั้งหลายทุกท่านที่ท่านตั้งใจมาปฏิบัติธรรมทั้งบัะชิตและบริหสทั้งประเทลานนเทละปิสุนวกะท่านหญิ ง, งท่านชายอุบาศกบริการ ท, ทุกท่านการปฏิบัติธรรมนี้เนี่ยสามารถจะแจม่จมจำสายชัดเจนมาก เป็นการละลุกชาติของตมอิงได้จึงนการรู้กดแห่งกรรมจากการกระทําของตนได้สามารถจะรู้การแก้ไขปัญหาชีวิตได้สามารถจะแก้กรรมเก่าหากสามารถจะแก้กรรมปัจจุบันได้และสามารถจะแก้ปัญหาที่เกิดในปัจจุบันได้ อันนี้เรียกว่ากรรมฐ า, านที่ชัดแจ้งและชัดเจนกรรมฐ า, านนี้ก็เรียกว่าไตราขาดสามที่ฉันมาบวกกันจะเป็นทั้งบรรพชิตอูบบาเพ็งธรรมผู้นัก บ, บวชในศาสนารักษาพรมการให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ดีก็ตามท่านทั้งหลายก็เช่นเดียวกันถือว่าบวชการบวชของโยมหญิงโยมชายก็ถือว่าบวช ในสาสนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเป็นหญิงก็ได้เป็นชายก็ได้ทั้งนั้นขอให้บวชจริงในถึงใจได้รัตตนาใจ ย, ยึดเหนี่ยวทางใจอันถูกต้องนี่ถึงจะเรียกว่าบวชการบวชนี้ไม่ใช่บวชชีพรามที่เรียกกันหน้าที่ได้ไม่น่าเรียกว่าพราม น่าจะเรียกว่า บ, บวชในประสาทินาถือเมฆธรรมปฏิบัติ <c oughs> ปฏิบัติธรรมอยู่ด้วยความสงบอยู่ด้วยความเรียบร้อยอยู่ด้วยความสันติวิธีสร้างความดีให้แก่ตนจึงจะเรียกว่า บ, บวชเมฆธรรมอย่างโยมหญิงโยมชายเนี่ยเรียกว่า บ, บวชเมฆธรรมปฏิบัติธรรมโดยล้วน แต่ส่วนอัตามาเนี่ยเป็นชายบวชตามพระธรรมวินัยถึงมาในพระปฏิโมกษสองร้อยี่สิบเจ็ดเป็นบทห้ามทั้งหมดไม่ใช่ศรีมาเข้าใจว่าพระศรลมากแต่ข้อห้ามนั้นมากไม่มีใายจะบวชได้อย่างพระเป็นผู้ชายคือพระธรรมวินัยแต่พระปิสูรลูกได มีธรรมะประจําใจก็จะมีวินัยเรียกว่าธรรมวินัยถ้าไร้ธรรมขาดวินัยขาเหตุขาดผลอันนี้ถูกต้องเป็นคําตรงถ้าพระปิจูใด้ขาดธรรมะขาดใจศึกษาสามศีลสมาธิปัญญามาได้ท่านจะไม่มีวินัยเลยท่านจะไม่มีระเบียบท่านจะไม่เรียบร้อยจะไม่มีแผนมีผัง จะไม่เข้าจุดมุ่งหมายของพระอันนี้ก็จะทำใจประเสริฐไม่ได้เพราะไม่มีธรรมะถ้ามีธรรมะแล้วถึงจะมีวินยัยโยมก็เช่นเดียวกันาจสึกขาสามเหมือนกันหมดจะต่างกันโดยวินัยที่มาแทนพระปฏิโมกต์ตรงนั้นนอกจากเหมือนกันหมดโยมจะเป็นหญิงเป็นกุณลสตรีก็ตามถ้ามีหลักธรรม ปฏิบัติกรรมาฐานถือเนกขัมมะปฏิบัติอยู่ด้วยความสงบอยู่ด้วยความเรียบร้อยมีสติสัมปชัญญะมีพระกรรมาฐานจิตสงบมาได้โยนทิ้งจํามีปัญญาหลอกลวงกองการทั้งขานของตนเองไม่ใช่ไปรู้คนอื่นเขารู้ตนเองคือลมมิชฌาลัมมิชฌาของตนเองได้ อย่าตัวเองเน่ะเป็นชาติจังไทมนหรือจังชาติอะไรเป็นผู้ดีเต็มขั้นไหมมันจะเลึกได้จรงนั้นถ้าโยมจะยากดีมีจนประทานได้ก็ม่หมายความว่าคนจนและเป็นคนไม่ดีบานใหญ่บ้านโตลูกในพ้นและเป็นคนดีไม่ใช่เช่นนั้นคนที่จะดีได้นั้นตอนน้องมีหลักธรรม มีกิจ ก, กรรมประจําชีวิตของเขามันจะคือกรรมฐานกรรมฐานจึงแปล่เฉพาพชีวิตอย่างดีที่สุดชีวิตแจ่มใสชีวิตแจ้งชัดชีวิตนี้มีประโยชน์กับตนนั่นแหละระมึกตนได้ละมึกตัวได้ละมึกชาติของตัวเองได้ไม่ใช่ระมึกว่าข่าเป็นเพื่อการเมียกาอะไรทางนองนี้อย่างที่เขาละมึกกัน ตามสังคมของชาวพุทธ่าได้เป็นคนใจใสใจสะอาดบริสุทธิ์ไหมคนที่บรรลุชาติเนี่ยคือตัวเองบรนลกตัวเองได้ว่าตัวเองมาปฏิบัติใจศีกขาสามคือสินสมาธิปัญญานเนี่ยคือตัวกรรมฐานตัวภาปฏิบัติถ้าเราไม่ปฏิบัติแล้วจะนึกตัวเองไม่ได้จะยิงพยองจองของ หน้าพระปลาคนที่ดำลึกตัวเองไม่ได้เนี่ยตัวยิงขยองจองหองด้วยจองห้องยังไม่พอแถมยิงยังไม่พอแถมเดือดรอดขี้กลาดแรกขี้กลัวไม่อยากสร้างความดีกับเขาเขาเรียกเป่นคนจองหองจนคนจองหองนี่คือคนพยองจิ เราเรียกว่าสิงตาได้ทองแระทับกระคองไว้ไม่ได้เหมือนไก่ได้เพชรไก่เห็นพลอยเห็นทับทิมมันจะไม่รู้ทุกสิ่งว่าเป็นของดีเลยจึงเรียกว่ายิงจังหองพยองตอนพองตัวขึ้นมาด้ไงไออื่นอ่างฉะนั้นหาใช่ผู้มีจิตเป็นกุศลไม่ ที่ว่าจะเล่นกรรมาฐานได้ต้องละลึกตัวเองตรงนี้จ่ในฐานะของตนเป็นอย่างไรในฐานะเราเป็นบุรุษหรือเป็นสตรีจะช่างความดีให้กับตนอย่างไรนี่คือกรรมาฐานกรรมาฐานแปะวะลว่ารูปแบบรูปธรรมให้มันชัดเจนทำอะไรให้มันชัดให้มันแจ้งให้มันเจนจัดให้มันจัดเจนชัดเจนเชี่ยวชาญชา น, นาญการ จะเรียกว่าเป็นนักปาากราตรากวีมีปัญญาอย่างนี้เป็นตน้นมีความหมายคือว่าชัดแจ้งในลูกประทรบลูกธรม ร, ธรมชัดมองเห็นได้กลเกล็กน้ถึงจะเรียกว่าลูกประทับนา ม, มาธรรมแปลว่าจิตใจมีธรรมะจึงเรียกว่านา ม, มาธรรมถ้าไม่มีธรรมะในจิตใจเรียกว่าน้ำเฉยเฉยเป็นความคิดเฉลวย้ารเป็นความคิดเฉดี เป็นความคิดที่ไม่มีสักดรีนาฏของกุณศสัตรตระยุยบุรุษบุรุษเพศแต่พระพิสุนี้เป็นบุรุษเพศเป็นเพศที่เป็นบุรุษที่ต่างจากคาวาะมากหลายก็แยกกันไปอย่างนั้นเป็นต้นมีความหมายอย่างนั้นเรามาเจริญตรรมาถามต้องการมาสร้างธรรมะ สร้งคือจะทาให้เกิดประโยชน์ของตนให้ละมึกชาติได้อย่างนี้เป็นต้อง <c oughs> ละมึกชาติได้บางคนละมึกชาติไม่ได้เลยไม่รู้ว่าชาติของตัวนะะเป็นจังทานเป็นโค้งที่เลวตเรามีศักดิ์ศรีมีธรรมะมีปฏิบัติขึ้นชาติของเรานั้นเราจะมึกได้ว่าออมาปิดกลายเราเล่นการพ น, นันกินเล้า เสือวนห่วงหาเป็นเศษมนุษย์บุตรกรมลอยจะละลึกได้ถ้าคนเรามีสติมาใดจะลึกได้มานั้นอาคารสติมาใดจะไม่ละลึกเลยะละลึกแต่ความเชื่อเป็นความดีของตนตลอดเลยตามไหนเลยเราจะรู้ว่ากรรมวิธีของเรามีประการใดจะไม่รู้กฎแห่งกรรมเลยกฎแปลว่าอะไรนี่แปลว่าดัน ดีมันก็ดันไปทางดีชั่วก็ดันไปทางชั่วทางตัวดีหรือชั่วประการใดกฎนั้นมันจะมีวิธีการพยายามดันให้คนนั้นไปเลวไล่ในสังคมต่อไปได้ให้ระลึกอย่างประการที่จะบตัวจะมีสติปัญสีทางสายเอตรองพระพุทธเจ้านั้นคนนั้นจะระลึกเสมอว่าแบบนี้เราทําอะไรอยู่ แบบนี้เขาทําอะไรกันอยู่เราจะสร้างความดีกับเขาได้ไหมเราลึกอย่างนี้เถอะเราลึกอดีตชาติของตนเมื่อครั้งอดีตที่ผ่านมาคนมีสติมาใดระลึกชาติมานั้นจางชาติมาใดจะไม่ลึกชาติของตนจะลึกแต่ไอจ้จางคาญไอ้เลวร้ายตลอดเลยการนึกถึงความชั่วของตัวเองตลอดเลยการหาด้วยความระลึกความดีไหม การจเจริญสติปัฏฐานสี่กรรมฐ า, านแปลว่าการระลึกอันนี้ระลึกเหตุการณ์ ช, ชีวิตครั้งอดีตที่ผ่านมานั้นเราจะมีบทความสอนสำหรับคนที่มีธรรมะแล้วไปไหนป่าก็ไม่ไหวใจไม่เบาเรื่องเก่าไม่มาเลยอฟื่องไื่อื่นไม่คิดจะพิชชอบทำเพื่เดี๋ยวนี้ขนานี้เขาเสวดมนต์ไหว้พระภาวนาพาไปนั่งคุยกั ไปนั่งเสืส้สวนหัวนาตามนี้อย่างนี้น่ะจังทานลำนึกชาติไม่ได้ถ้าละำนึกชาติได้แล้วน่ะจะรู้สึกตัวเองความรู้สึกตัวเองนั้นน่ะคือตัวสัมปชัญญะปัฏพระต้องมีพร้อมทั้งสติสัมปชัญญะไม่ล ด, ดละภาวนาโดยเคลื่อนก่ บ, บุคคลได้บุคคลนั้นจะเลิกทิ้งความดีที่มีอยู่เสมอ จะไม่ลึกถึงความชั่วที่ทาตัวอับปางทาตัวร้ายในชังโคนมันจะระลึกได้อย่างนี้เป็นต้นระลึกถึงความดีเสมอแต่ความชั่วของใครจะไม่ระลึกมันเสียเวลาตลอดเลยตามจิตแล้วก็นึกถึงเรื่องเล็วจิตมันชั่วก่็ น, นึกถึงความชั่วปิดจิตดีมาได้เนธัมมะปฏิบัติได้มาได้ รลึกถึงความดีข้าพเจ้าจะต้องสร้างความดีตั้งแต่บัด น, นี้เป็นต้นไปมันจะระลึกอย่างนี้นะไม่ใะนั่งมาไปสวรรค์นิพพานมาต่อยามที่หกถซลชยานมากมายกลายกองสักยามเดียวก็ไม่ได้อะไรเลยสอบตกสอบตกสอบไม่ได้แล้วจะนั่งกมาถามทำไมจเจริงกรรมาถามต้องการจะสอบชีวิตของตน สอบอลรมของตัวเองว่าขณะนี้อารมตัวเองเป็นอย่างไรระลึกชาติได้ไหมไม่ได้เลยเระลึกแต่ความชั่วที่ตัวชาติมานานแล้วในตัวเองเป็นโกเทงต์ดำเป็นการกระทําที่เลวร้ายโดยไม่รู้ตัวเลยเขาสวดมนต์ไหว้พระผ่าไปนั่งคุกศัตรูในญาติแพทย์จังทาญประเย์ไม่เอางานประเภทมาอย่าเอาผิด ในชีวิตของการงานและหน้าที่ไม่ได้รับผิดชอบแต่ประบาตได้ออกมาชัดเจนมากขอศาสตาจารย์โยมาด้วยนี่ไอ้นี่เหตุผลเวลาจะดูคนแต่ก็ดูตรงนี้ดูด้วยเหตุผลดูด้วยการงานและหน้าที่มองมันถูกต้องหรือไม่ถูกต้องนี่ระลึกชาและลึกได้เสนออ่ะแบบนี้เราทําอะไรอยู่สติเนี่ยเป็นตัวระลึกชา ตัวสัมปัญญาเน่เป็นตัวรู้เหตุผลรู้แกงเห็นจริงควรจะทำสิ่งใดที่มีประโยชน์และไม่มีประโยชน์ที่มีโทษและไม่มีโทษเป็นการงานที่ดีก็คืองานไม่มีโทษงานที่มีประโยชน์ต่ตอตนประโยชน์ต่อครอบครัวประโยชน์ต่อสังคมอย่างนี้เรียกว่าตัวสัมปัญญาปัพร ะ, พะตัวสัมปัญญตัวนี้แปลว่าพนวกบวกละลึกชา ต, ตัวรู้อยู่ขณะ น, นี้ปัจจุบันนี้นะ่ะปัจจุบันนี้เราจะลึกไหมว่าความดีอยู่ตรงไหนจะสร้างตรงไหนจุดไหนนะ่ะจุดลุ่มจุดแหวนจุดตะแทงตั้งเยังซ้ายเยังขวาท่านรู้ไหมท่านก็ไม่ทราบแล้วท่านจะเล่นกรรมฐ า, านเอาสวัสนิทานตรงไหนละนำลุกชาติยังไม่ได้ดําลึกตัวเองก็ไม่ได้สําคัญตัวเองถูกต้องแต่กลายเป็นว่าผิดไม่ถูกต้อง แล้วต้องวิจัยประเมินผลของเราเองการเจริญกรรมาฐานแปลว่าวิจัยประเมินผลจิตของตนเองว่าดีหรือเครือประการใดตรงนี้สําคัญมากคนจะเปลี่ยนนิสัยได้ก็ต้องเจริญกรรมาฐานถึงจะเปลี่ยนนิสัยได้ใครจะไปเปลี่ยนให้เขาไม่ได้มีทิฏฐิจองหองโยโศมะแลงตองนาพระพรานาเวทนายิ่งนะับ นาสงสารไม่ใช่น่าเกลียดคนที่ทำชั่วเนี่ย็นไม่จะเป็ น, ปนคนน่าเกลียดเป็นคนที่น่าสงสารมากไม่น่าจะทำความชั่วเลยน่าสงสารควรจะช่วยเขาให้ละชั่วช่วยเขาให้สร้างความดีช่วยเขาให้มีปัญญาอย่างนี้เป็นต้นจะมีประโยชน์ในการฝึกจิตปฏิบัติไม่งั้นเรามาปฏิบัติเอาเรื่องเอาเราวอะไร ปฏิบัติมากก็มีทิฏฐิมากปฏิบัติน้อยมีที่ถีิน้อยไม่ใช่ทางตรงขององค์พระพุทธองค์ขององค์รององพระสวสัมมาสัมพุทธะแน่นอนที่ถูกพระพุทธเจ้าสอนกลงแล้วสอนชัดเจนแต่เราไปตีความมึงท่านผิดแต่เอาแต่เอาจริตของสอนเองเอามาใช้มันไร้สาละไม่ไม่มีประโยชน์ในตนแต่ประทานได้ออกมาอย่างนี้เลยนะ นี่เรไมิชาแต่ทั้งหลายอาจจะไม่ชาบในกฎแห่งกรรมทั้งชาเรายกตัวอย่างให้เห็นให้เห็นชัดการกำหนดจิ ต, ตองการให้มีสติอยู่กับจิตจิตจะได้ดีจิตจะได้มีปัญญาไอ้ตัวสตินี่มาเป็นก้านน้ำไว้ไม่ให้น้ำเชี่ยวไม่น้าไหลไปช่ที่ตามไม่ให้จิตตงต่ำแต่ทําทั้งหลายมีสติอยู่ตลอดเวลาแล้วจิตท่านจะไม่ตาม จิตจะไม่ดำจิตจะสร้างแต่กิ จ, ะจะกรรมที่มั่งใสสะอาดอยู่ตลอดเวลาการตัวนี้จะเป็นตัวปฏิบัติไม่อย่าตัวมานั่งหลับหูบหลับตาบุยบ่ายนินทาคนโน้นนินทาคนนี้คนนี้ตอบได้เลยแล้วนึกชาติไม่ได้ลำนึกตัวเองเป็นคนดีแต่โกงเงนข้ามเป็นกลายเป็นคนชั่วเอาตัวไม่หลอดครึ่งตัวเองไม่ได้แล้วสามไม่สา ม, มารถจะช่วยตัวเองได้ ไม่สามารถจะสอนตัวเองได้ทิฏฐิมันมากเรามาเจริญกรรมาฐานเพื่อระลึกตรงนี้นะต้องการให้มีสติกำตรับจิตไม่ให้จิตไหลไปสู่ที่ตามให้จิตมีปัญญาเรียกวัานามะธรรมธรรมะใส่ไปในจิตเรียกวันนามะธรรมจิตตัวนั้นจะได้มีประโยชน์กับตนเองคิดอะไรก็คิด ด, ดี ทำอะไรก็ทำที่ดีจะชี้แจงแสดงอันใดในตัวเองก็สร้างฐางนะให้ดีสร้างตัวให้มีปัญญาจะได้สมปราถนาทุกประการตรงนั้นเป็นบทสำคัญเราควรจะลึกชาติอย่างนี้เป็นตน้นสามปัญญาปัาพระจะได้รู้ว่าเนี่ยั่วช้าเนี่ยมีประโยชน์อะไรของที่ตัางวางว่ามันเ ก, กกะเนี่ยมันมีประโยชน์ไหมลเลึกชาจะมั่งหรือเปล่าเปล่าเลย ล่าวคนไล่ปัญญาไม่รู้จะใช้ปัญญาตรงไหนปัญญาจะแจ้งชัดตรงไหนข้าก็ไม่รับรู้คือมีแต่โมหะจริตผิดสิงผิดฉับจะทำอะไรก็ทำด้วยอนนานาจโมหะอนหนานาจจริดของตนเองที่จะแป้ไขจริตที่จะแป้ไขให้มีสติก็หามีไม่การเจริญสมถะนั้นต้องแปรจริต โดยการภาวนาให้มันเกิดสมาธิการเจริญสตินี้ไม่ต้องแปลจะลุดเอาสติไปใส่เมื่อใดจะลุดหายไปเมื่อนั้นคนที่โง่เอาสติไปใส่เมื่มงงอใดความโง่ก็จะหายไปเองความเฉลียวฉลาดก็กลับมาแทนที่สร้างความดีให้กับตอนเลือกวาลึกชาติอย่างนี้ละลึกเหตุการณ์ได้ละลึกกุศลเดิมได้ ทั้งอดีตมาที่มาปิดบางเป็นโมหะไม่ทราบจะรู้ได้อย่างไรยกตัวอย่างให้ท่านเห็นเดี๋ยวนี้มีหลักฐานรําคามสิไปรล่วงแลมาเป็นเวลานานแล้วมีตัวอย่างที่วัดนี้มีจ่าทหารกองทัพภาทิสีนครศรีธรรมรากมาปฏิบัติธรรมที่นี่เราก็ไม่รู้ให้เขารู้เขาเอง ว่าเขาละมึกชาบร้องไห้วิ่งรอบวัดในจามีนวดอยู่อยู่ที่ภาพใต้กองทัพที่สี่ของบัญชาการกองทัพ บ, บกกองทัพไทยจำพารานบกมีสี่ภาคภาคหนึ่งอยู่ในกรุงเทพภาคสองอยู่ภาคอีสานและคอโลซิม่าภาค อ, าาอ่าภาคสาม อยู่ที่ภาคเหนือพิศโลกโสคไทยเรียกว่าไทยทะเลสวนมหาลาคัยเอกาทศรสกินนาเขตถึงเชียงใหม่แม่ห้องสอนพาทุสีภาคใต้กินนาเขตถึงตะลัาตันสบุรีน่นเขตแดนภาคใต้ทั้งหมดดยูในการรับผิดชอบของของแม่ทัพภาทิสีจากคนนี้มาปฏิบัติธรรม สำหมายพลเอกอาทิตย์กำลังเองเป็นพอบอทบอเป็นเวลานานแล้วพลเอกอาทิตย์กำลังเอกให้ทหารเข้ามาปฏิบัติธรรมที่ตัง้งศูนพัฒนาจิตใจของกองท บ, บมาชุดเหล่นี้ในจากคนนั้นร้องไห้ปฏิบัติได้สี่วันก็ต้องมาปฏิบัติที่นี่ถึงสิบวันจุดวันสิบคืน มาสมัยก่อนปฏิบัติสิห้าวันแล้วมาเหลือสิบแล้วมาเหลือเจ็ดวันมาเหลือห้าวันทุกวันนี้ปฏิบัติแล้วลรานึกชาติใดร้องไห้ร้องไห้โฮเลยแต่โยมคงไม่สบใจเพราะยังไม่ได้เล่าให้ฟังเล่าให้แต่น่วยอื่นฟังขอหน่วยนี้โปได้รับฟังเถอดจากคนนี้ลรานึกชาติไดยังไงติดตามฟังณนะบัดนี้ จากตคนนี้ร้องไห้กำลังอตาตมาชี้แจงให้ทหารสั่งร้องไห้จะวิ่งเขา้ า, ามาหาอาตมากำลังบรรยายธรรมอนุสาธนาจารย์อนุสาบก็ไล่ไปบอกจ่าอย่าเข้ามาหลวงพอ่อกำลังบรรยายอาตมาดูหน้าดูตาดูจต่ตคนนี้ร้องไห้ในพัดออกไปร้องไห้ข้างนอกวิ่งไปร้องไห้ที่โน่นที่นี่ตลอดเลยจ้าละมุขฉากของเขา เลยอาตมาบอกให้อาจุศอาจารย์ไปจับตัวมาพูดจบแล้วูคบรรยายจบดแล้วไปจับตัวมามากราบแล้วร้องไห้ชดเช้าต่อหน้าตมาร้องไห้สะอื้สะอื้นตลอดเลยการบอกอาละอจารตั้งสติให้ดีเล่าความเป็นไปให้ให้ทราบสิเป็นอย่างไรจึงร้องไห้เช่นนี้นะ ร้องพอครับผมกราบเรียนถวายด้วยใจจริงผมเองเนี่ยมายังไม่ได้ไล่ทหารยังไม่ได้เป็นทหารผมจบหลักสูตรมัธยมแล้วก็ยังมาได้เป็นทหารมาเด้๋ยไปศึกษาวิชาทหารแต่ประการใดวันหนึ่งอายุยังไม่เข้าเต็มยี่สิบปบริบูรณ์ที่จะต้องไปได้ทหารก็ไปพาภรรยามาคนหนึ่ง มาอยู่ในบ้านมีอาชีพปลีกยางปลีกยางรับจา้างอ้อมแม่ด้วยลูกด้วยสองสาคนก็ไปรับจ้างปลีกยางเอาเงินมาเลี้ยงตามซื้อข้าวจุกข้าวสารในบ้านนั้นก็อยากจนจากคนนี้ก็มาเดีมีธรรมะแม้แต่ข้อเดียวตอนเป็นยังไม่เดี๋ยวเป็นทหารก็ไปพาภรรยามาคนหนึ่ง ื อ, อายุละเงียกันยังไม่พอยี่สิบปีเลยก็เมาดื่มเหล้าเมาตลอดเลยการแล้วก็ดึงเมียมาตบมาตีมาเตะตลอดเลยการในเมื่อตบตีแล้วพอกอ็เป็นคนที่ไม่ได้ดื่มเหล้ามีสติดีเมืกันแต่ไม่เข้าใจธรรมะเพราะว่าอยากโจนเป็นคนไปรับจ้างปลีกยางพระยาก็ไปปลีกยางเลี้ยงลูก ซื้อ ก, กระุกกระานตลอดรายการใน ม, มาเป็นเช่นนี้ก็เมาไม่มีสติตบลูกตบเมียตลอดรายการยังไม่มีบุตรแต่บริการได้พอขอออกมาลูกเอ้ยรักกันแล้วไปพากันมาแล้วปลดเลี้ยงเขาให้ดีอย่าไปตบไปตีเขาทําไมแล้วลูกเอ้ยพอขอทีเธอลูกเอ้ยพอบอกขอทีให้สองที ล่อยพ่อตกเลียนไปเลยฟันหากสองขี้พ่อลุกขึ้นมาได้ก็มาเลยว่าอะไรเลือดออกปากล่อยพ่อที่ปากเ่อกดดอกลูกไวยไม่น่าทําพ่อเลยนะลูกนะพ่อหวังดีจริงแท้พ่อรักลูกอย่างแก้วตานะลูกนะแต่ลูกทําไมทําพ่อถึงขนาดนี้ล่าลูกลูกจะบาดตามนะลูกนะ พ่อไม่เอาโทษกับลูกพ่อยกโทษให้ลูกตลอดเวลากามอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ขอฝากญาโยไว้เลยก็เจ้าจา่าคนนตอนนั้นยังไม่ได้เป็นทหารก<ม>็ตอนตื่นขึ้นมาเช้าพอออกมาเดว่าลูกอะไรเพราะความรักลูกนี่แหละญาโยทั้งหลายพ่อแม่ให้ลูกแต่ทุกอย่างแต่ลูกเนี่ยไม่มีให้พ่อแม่เลย พ่อแม่จะเช็ดโกนเช็ดตูดให้ลูกไายเช็ดตับปิงให้ลูกสาวก็ได้แต่ทําไมหนอพ่อแม่ปวดระห่ ว, วยป่วยใข้ลูกจะเช็ดโกนเช็ดตูดซักผ้าซักผ่อนผ่อนให้พ่อแม่มั่งไม่มีเลยไม่มีแน่นอนเพราะคนไร้สิลธรรมขาดคุณธรรมไร้คุณภาพจึงเอาดีไม่ได้อย่างนี้ตันตอมในเหตุผลที่วัดนี้มีหลายรายการเขาก็พาเมีะเขา ไปอยู่กับบ้านพระตาไม่ใหญก็อยากจนอินในที่สุดก็ไปรา่ทหารในเวลาการสมควรแม่เขาก็ตายก็เผากันอย่างคนยากคนจนคนร้าเผาจบแล้วพ่อก็ไปมีภรรยาใหม่มีลออูกสามคนเล็กๆทั้งนั้นก็มีอาชีพยยไปเกรียดยางแต่ลูกชายตั้งแต่นั้นไม่เคยไปพบพ่อเลย แง่ตัวก็ตายตัวเองก็ไปได้ทหารเกณฑ์ถูกทหารไปอยู่นครศรีธรรมราชเป็นทหารกองทัพภาคิีีก็ศึกษาเราเรียนมาก็เขามีความรู้มัธยมก็สร้างตัวจนได้ในวิชาการกินเหล้าไม่พักสุโุทีตลอดรวยการและมีภรรยาคนนั้นก็กลับมาเล่นไพ่ ลูกมีสามคนก็มาเรียนหนังสือนัหาได้เงินเดือนก็ไม่พอจะใช้จะจ่ายแต่ไม่เคยคิดถึงพ่อเลยนะไม่มีความระลึกถึงพ่อแต่แต่นั้นขาดกันเลยแต่พ่อก็ตักเวียตะกายไปทํามาให้กินเลี้ยงลูกเมียใหม่เมียเก่าตายไปแล้วแล้วก็ลูกก็มีหลักฐานกันตายยากจนทั้งนั้นไม่มีคนเป็นคนมีแต่กระตุ้งกะตางลำรวยแต่ประการใด ขอสรุปใจความว่าจากคนนี้มาปฏิบัติธรรมไม่เคยคิดถึงพ่อคิดถึงแม่ที่ตายแล้วแต่ประการใดคิดถึงเหล่าจะกินเหล่ายําไปเป็นการพนันเมียก็เล่นเด็กการเล่นไพ่ตลอดเลยการเงินทองก็ไม่พอเลี้ยงลูกแต่ประการใดลูกก็ไม่อยากจะเรีย น, นหนังสือหนหาแต่อย่างใด เริ่มาเจริญกรับมาฐานก็ลึกชาติได้เป็นอันดับสองจาก ล, ลึกชาติของตัวเองมีสติเข้าก็ลึกถึงพ่อมีชัมมัญญะรู้ตัวเข้าก็นึกถึงแม่แม่จ๋าตายไปแล้วก็ไม่เคยไปทำบุญให้แม่เลยลืมแม่ลืมพ่อแน่นอนที่สุดการเจริญกรับมาฐานทำให้ลึกชาติิ้งแม่ิ้งพ่อได้ อันตั้งหลายถ้าจเจริญกรรมาฐานในบทแรก้ามีสติมาได้จะที่ถึงแม่ก่อนมีสัมมัญญารู้ตัวเข้าไประลึกชาติได้จะที่ถึงพ่อไปตามาดมีทิ้งครูบาาจารยที่สอนให้น้ำตาจะไหลออกจากตาเดีย๋ยวอำนาจปี ต, ติยินดีปีดาอย่างนี้เป็นต้นในมตัตเเช่นนี้ต้องพอครับ ผมตั้งแต่นั้นมาไม่เคยไปเจอพ่อเลยนะจนผมเป็นจา่าเป็นทหารมาทั้งทึ่งหนบะสุดซรีเขาให้ความดีผมผมมีวิชาช่วยเขาได้แต่เป็นสิบโทสิบเอกแล้วเป็นจา่าอย่างนี้เป็นต้นผมก็ระลึกได้อย่างนี้นะครับหลวงพ่อครับโปรดให้อภัยเพินมเถอะผมเนี่ย อ, อกใจจะแตกจิตใจจะขาดแล้ยผมคิดถึงพ่อเหลือเกิน จาเอ๋ยทําใจสบายสบายไม่เป็นไรนี่แหละท่านสาวทุกชนทั้งหลายคนมาสร้างความดีมีสติละลึกชาติได้แน่นอนละลึกตัวเองก่อนว่าตัวเองมีสภาพจิตเป็นประการใดหลาสติขาดสัมปชัญญะมันมีสภาพชีวิตอย่างไรพอมีสติสัมปชัญญะแล้วมันมีสภาพอย่างไรมันตา่างไกลกันกับฟ้ากับดินเจ้านะ ตอนนี้ร้องไห้ไม่พักล้งพ่อครับขณะนี้ผมก็ไม่ทราบแต่พ่อผมไปอยู่ที่ไหนผมไม่จะติดตามไปหาพ่ออีกเลยเข้าใจว่าพ่อโกรธที่ผมต่อยพ่อไปปากแตกฟันหักสองที่ เ, เาาลือดออกปากลำนึกได้แล้วผมก็เสียใจยเลยเตินนล้งพ่อเอ้ยพอมานั่งกรรมฐ า, านผมไปนรกแ น, น่นอนที่ทําพ่อถึงมาตกเรือนไป ตก บ, บันไดไปเลยพอ่อแบบจะหวัวแตกหวัวโนผมนึกคืนนี้อย่างนี้แล้วผมเสียใจมากครับที่จะร้องไห้เนี่ยมีเหตุผลอย่างนี้เป็นต้นในเมื่อจะละ ม, มึกชาติได้บอกจ่าทําสงบอีกสักส5ห้าวันก็ปิดอดยอมล็อกทิ้งไปไม่เป็นไรหลวงพอ่อผมขอไปคืนนี้แต่ผมไปไม่ได้คืนนี้ผมจะอกแตกตายผมที่จะถึงพอ่อ ท่านชาทุกชนที่รักคนนึกถึงความดีตั้งสติดได้จะนึกถึงพ่อแม่จะนึกถึงครูบาอาจารย์ไอเด็กรุ่นใหม่เนี่ยใช้เงินพ่อแม่เป็นเบี้ยวเวลามีทุกข์วัตกรถรถชนขึ้นมาจะคิดถึงแม่ได้จะคิดถึงพ่อตอนมีทุกข์ใช่หรือไม่พวกนักเรียนนักศึกษาตาช็อบตกจะคิดถึงครูมาอาจารย์ที่สอนให้มาเดียสนใจเรียน เมื่อสนใจปฏิบัติภาพเพียงเรียนขวนขวายจะประทานได้สอบตกเมื่อใดจะนึกถึงครูเมื่อ น, นั้นอันนี้ชัดเจนแล้วชัดแจ้งด้วยแลวจากคนนี้ก็บอกผมพอครับผมขอเทียนแพรชักทุดเธอขอผ่านด้วยผมไม่มีสตังค์เลยนะเนี่ยเอาไม่เป็นลายให้ฟรีเอาผ่านทองไปผ่านหนึ่งแต่ทองของเราเค้นจะตั ไม่หลอกไม่ดามจำนำไม่ได้อย่างที่เรามีกันอยู่ขนาดนี้ให้ผ้าปูผ้าผ้าปูพานไปด้วยเอเทียนตายใจยาเพิ่งกลับไปซืนนี้ไม่ได้นะจานะครับไม่ตายกลับไปถึงห้องตีสี่แหกห้องไปเลยกลับไปเดินถนนเอเชียมีเส้นเดียวกำลังเสร็จใหม่ๆพอกเขาหนีไปแล้วเองไม่เป็นไร แล้วเอาเชือกพาไปให้เขาด้วยก็แล้วกันนะแล้วก็ติดตามผมส่งข่าวให้เขากลับมาหาเล่า ข, ขอได้ความมากลับมาหาเล่าให้ความให้ฟังละเอียดบอกหลวงพ่อผงกลับไปหาลูกพังเมียเมียก็ยังไปเล่นไายผมก็เลิกเพปฏิญาณตนผมจะเลิกสุบุรีหนึ่งเลิกเดิมสุลาเดชขาดผมขอถาวายหลวงพ่อหมดเลย ก็เล่าให้ฟังว่าผมเอาเทียนแพร่หอไปก็ไปบ้านเดิมถามมันเหนือ้ันตายบอกว่าพอผมไปอยู่ที่ไหนก็บอกโน้นย้ายไปตำบลโนนน่ะไปอยู่อะไรฉาอวดหรืออะไรอำเภอใดจำไม่ได้สามดาเนี่ยมันมนานแล้วก็เดี๋ยวจะเป็นบาปก็เล่าให้ฟังย้ายจากตรงนั้นไปอยู่อำเภอนหนึ่งก็ไปได้ภรรยามีมีลูกมีบทที่ดาวสามคนเล็กๆสองคนพ่อเมีย ก, ก็ไปปริยา ในจาาคนนี้ก็เราจะมาฟังว่าหลวงพอ่อผมก็ยังร้อ ง, องหยอยไห้อยู่ไปพ่อจ๋าพ่อจ๋าอยู่ตรงไหนพ่อกำลังเปลี่ยนยามอยู่กอแหกไปดูลูกลูกลูกมาหายเล่าผมลูกพ่อหงเล่าที่ต่อยพ่อไปพ่อล้องไห้กอดลูกต่างโศตาลายกันภรรยาใหม่ก็เห็นลูกเลี้ยง มาก็ร้องไห้ด้วยโดยกอดลูกแล้วก็ร้องไห้กันแล้วก็บอกุพ่อแม่แม่เลี้ยงครับนางลงผมจะขอโหติกรรมกายกรรมมังวจีกรรมมังมโนกรรมมงโยโทโจอโมโทอันใดความผิดอันใดที่กับผมรู้เท่าไม่ถึงการละเมิดไปต่อยพ่อตกบันไดไปก็ขอโหริกรรมให้ลูกด้วยดูไม่ใหญ่เจตนาะจะประการใดต่อแม่ก็ร้องไห้ ก็ให้พรลูกจับหัวลูกแล้วก็ลูกเอ้ยจงเจริญจะรุ่งเรืองนะลูกนะพ่อมาเดี๋คิดร้ายกับลูกเลยตั้งแต่นั้นมาพ่อก็ไม่เจอลูกเลยแทบจะจํากันไม่ได้เลยหลังจากนั้นมาจ่าพว น, นี้ก็กลับไปประกอบอาชีพการงานแล้วก็ให้ภรรยาสวดม น, นั่งเจริญกรรมฐ า, านแล้วก็จ่าเขาก็ไปสอนภรรยาเขาสวดตุตตะคุณธรรมคุณรังตะคุณภาุมาคาสวดได้ แล้วก็ลูกก็สวดมนต์กันตั้งแต่นั้นมาเป็นต้นภรรยาเลิกดื่มเหล้าเล่นไพ่เลิกหมดลูกกลับเรียนหนังสือดีขึ้นเข้ามาหาวิทยาลัยได้หมดทั้งสามคนนี่ตัวอย่างที่ระลึกชาติแต่สร้างความดีอย่างนี้เป็นตน้นในจา ก, ก็เลิกเดินสุรายาเมาบุหรี่เลิกทาบังคับกองร้อยปืงคับกองพัน เห็นจานี้มาปฏิบัติธรรมแล้วเลิกบุรีเลิกลาวดาก็อุปถรัรมภ์คำจูนให้สอบในร้อยสอบได้เป็นอาทหารเป็นถึงในพันมาจนบัด น, นี้นะแล้วภรรยาก็เลิกตั้งร้านค้าอยู่ที่นครสคัมพีธรรมราชไ้ถามได้ร้านชื่นนั้นชื่นนั้นก็ยันจบก็หมดว้ขายกาแฟขายอาหาร แล้วก็ขายอะไรหลายๆอย่างที่นครทรีธรรมราชแล้วร้านนั้นเขาก็ซื้อเป็นของเขาเองลูกสามคนก็เขาาา้ามหาวิทยาได้หมดแล้วเขาก็ส่งพ่อเขาเดือนละร้อยแล้วก็ส่งน้องเลี้ยงเรียนหนังสือนี่กระตันยูกะตะเวทิตาธรรมละมึกชาติได้จริงดังที่กล่าวแล้วทุปประการจาวันนั้นก็คือเป็นอาทหารมาจนบัดนี้จะเป็นพันโทอะไรหรื อ, อยังไม่ทราบ ตอนนั้นบอกพันตรีแล้วมันเป็นหลายสุดปีมาแล้วตั้งแต่พลเอกอาทิตย์กำลังเอกเป็นพอบอพอบทบเขาก็ได้เป็นนายหานถึงท่านในพันครบครันทุกประการเพรเรื่องตัดตันยูตเวทีต่อพ่อแม่พ่อแม่โหดิกรรมถ้าเขาบอกว่าหลวงพ่อครับถ้าผมไม่ไปโหดิกรรมในวันนั้นผมตายอกแตตายคิดถึงพ่อคิดถึงแม่เหลือเกินนี่แหละท่านสาวผู้ชมที่รัก คนมีสติทั้งปัญญะจะมีกระตันยูกระตเวทีลำือถึงกรรมของตนเองที่จะต่อยพ่อตกบันไดไปไปโหดิกรรมพ่อก็อให้สินให้พรลูกในเวลาการต่อมาเขาก็อุปถัมภ์พ่อนี่ได้ข่าวมาสามปีแล้วมีจดหมายมาเอาเงินมาเข้ามูลนิธิที่วัดนี้แล้วก็บอกหลวงพ่อครับบัดนี้ผมปลูกบ้านให้พ่อให้แม่เลี้ยงนะแล้วก็ส่งน้องเลี้ยงเรียน แล้วก็ไปให้ธรรมะให้พอ่อให้แม่ผมแม่เลี้ยงผมได้นั่งกรรมฐานแต่จเจริญสติสังที่สอนไปชุบประการแล้วก็สวดมนต์ไหว้พระลูกนีหมดทุกคนเป็นตัวอย่างของกรรมจากอดีตแต่กรรมที่ระลึกชาติในความดีที่สร้างความชั่วมาเขาจะไม่สร้างความช่วยต่อไปอย่างนี้เป็นตน้นอีกคนหนึ่งจาง่ากองท้าพาลุสาม ไทยพระนเรสวนมหาลาชบบบนี้ก็ปลูกเกียนไปหลายปีแล้วมาอบรมที่นี่รุ่นแรกเช่นเดียวกันกินเหล้าเมายาคายาฝิ่นกินกัญชาปลูกตาวหลายคนยังเล็กอยู่ภรรยาก็ต่างหลักฐานไม่ได้เขาเลิกหมดขอถวายยาฝิ่นให้หลวงพ่อเลยนะเลิกกัญชาเลิกเหล้าเมายาทุกอย่าง แล้วตังนาสวดมนต์เจริญกรรมาฐานเข้าลูกดีหมดลูกเป็นในภาคลูกเป็นผู้ผีผักสานลูกเป็นวิศวกรภรรยาก็ตั้งหลาบฐานขายของที่พิชโลกโสกไทยก็ได้มีเงินให้ในพลกู้เสกมาแล้วเราะก็เปิดกระถากะเสียนไปแล้วจ่าผู้นี้นะนี่จ่าอีก้อบุรีไม่ชื่อไม่ออกจากประเสริฐจ่าอะไรลูกเป็นอาถารหมด ลูกสาวเข้ามาหาวิทยาลัยได้หมดพออยังเป็นแค่จานะ็จะเจริญพระกรรมฐานได้ผลอย่างสมคาาปัจนาเป็นกฎแห่งกรรมรูปกรรมของตัวเองจะไม่จช่ า, างความช่วยต่อไปในอนาคตกรรมเก่าต้องใช้นะกรรมกายต้องเก่าต้องใช้ยกตัวอย่างอาตมาเนี่ยยืนนกตกปลาไม่ปฏิเสธทุกข้ขอหา เราจะต้องขอหาคนที่14ตุลาเที่ยง 4:15 จงมาเราหยีเบ็ดเพาะอะไรสติบอกตัวสติบอกว่าท่านจะต้องขอหากตายเหตุใหญ่ก็ต้องขอหากด้วยตอบสำัติชัญญะมันจะเป็นผู้ตอบตัวรู้ตัวแจ้งตัวชัดเจนกดแ่งกรรมมันจะบอกคอมพิวเตอร์จะตีออกมาว่าท่านไปหาขอนก วัดแจ้งหลังวัดแจ้งพรมนครต้อนใต้วัดตะนองจากศรีอยู่หน้าจากศรีเมืองชินเรียกว่าน้องใช้ลายัถ่ายภาพไว้นาของประชุมเล็กนี้ยังมีตัวอย่างครูชั่วเมื่อสองวันนี้เพื่อนครูชั่วมาอยู่จังหวัดกาญจนบุรีเป็นครูเป็นพยานพยานยังมีเยอะจริงเลยหลวงพ่อที่ผมพาพวกกาญจนบุรีมาดูวัดตีหลวงพ่อน่ะ ไปยินนกกับครูชั่วอาจารย์ใหญ่นั่นเพื่อนผอมเพื่อนเพื่อนนักเรียนการและเพื่อนครูการกินเหล้เาเมายาตลอดเลยการชื่อครูชั่วแลวเพื่อนครูชั่วยังอยู่อีกคนเรานึกว่าตายหมดแล้วมาเร็วๆนี้มาจากจังหวัดกาญจนบุรีพาพวกสาวน้อยกับกับหนุ่มน้อยอายุเจ็ดสิป่าชิดมาเป็นแถวมาข้างแรมที่นี่โรงเรียนไปยัดหนึ่งคืน บอกเนี่ยผมเนี่ยเชื่อแน่หมื่นเเซ็นเพราะผมเป็นพุ่นก็ครูเชื่วครูใหญ่ว่าแจ้งพลนครหลงพ่อดีตอนนั้นเป็นพระครูพรมจริยคุณอุณปชาของรัชพอนี่แหละนี่แหละชัดมีพยานหลักฐานครบทุวนขบวนการมีท่านทั้งหลายกดแห่งกรรมใช่หรือไม่แต่เราจะแก้ไม่ได้กองเนื่องจากว่าอะไรหรูอเนื่องจากกรรมเก่าต้องใช้นะท่านทั้งหลาย เนี่ยคอหักแล้วคอหกักแขนหกักหักปีกนกแขนหกักหักขาโนกขาหากักลงน้ําร้อนลวกรับจางต้มเต่านี่มีหลักฐานมีพยานด้วยนี่กรรมฐานที่จะรู้ได้เนี่ยเราลึกชาถึงกดแห่งกรรมกันมากไหมไม่มีเลยระลึกแต่ไอ้เหลี่ยมบา้บาๆบอๆขาดสติไปมากแล้วท่านจะทํากรรมฐานได้หรือท่านทําไม่ได้แล้วมาสํานึกขึ้นมา ว่าสติเดวสำนึกเอาเองได้หลือต้องกำหนดจิตต้องจางสติให้มีกรรมาฐานถึงจะได้ผลไม่งั้นท่านทำไปจนหัวหอกรดวโกรนจนตายจากโลกไปท่านท่านก็ไม่ยาอะไรคนี่ชัดเจนนี่อย่าท่านทั้งหลายกรรมใหม่ไม่สร้างกรรมเก่าต้องใช้กรรมเก่าที่ทำมาแล้วต้องใช้เมื่อ นี่แหญาติโยมอาตมาลูกก่อนต้องหกเดือนมีพยานทันโทวิ่งรถเฉยเป็นพยานโยมเตียงโยมทวัดปริปุณะเป็นพยานเนี่ยเพราะว่าโยมมาโยมทวัดกับโยมเตียงไปนั่งเฝ้าอาตมาอยู่ตลอดท่าสิบสองวันจะออกจากโรงพยาบาลก็ระคอหักขอฝากข อ, ขอหักและพูดได้ด้วยนะหมอที่โรงพยาบาลกรุงเทพ บอกว่าร้องพ่อองเรียนในโลกที่ขอหาไม่ตายนี่คือกรรมฐา น, เ, นเรื่องจริงที่วัด น, นี้ทั้งหมดมัจะเอาเรื่องหลอกพร้อมมาเล่าให้ฟังมีพยานนั่งนี่โยมทวัดปริปุนณะปิร้านเลยโยมเตียงปิดร้านในขายของนี่แหละเรารู้ลวงหน้าวะอ๋อวันที่เจ็สี่เราจะตายเนี้ยเอาโยมเตียงมาอยู่วัดหนึ่งเดือนเดีกอกร้องลงมาให้โยมเตียงกลับโยมผู้หญิงกลับเอาโยมผู้ชายมา โยมปริพุนณะโดนทวาเโยมพันโทวิงรถเฉยเพื่อต้องการเอาศพราควายโยมผู้หญิงกลับไปจะได้เตรียมอาหารเข้ามาบางเพงกุศลทักษิณานุปัทานทำศพให้กับเราต่อไปในเรื่องจริงที่วัดนี้ทั้งหมดแต่ทุกคนไม่ทราบนะนี่เราสู่ให้ฟังว่ากเทกรรมใช่หรือไม่ต้องใช้นี่นะไม่ใช่ไม่ได้ล้วที่ท่านทำกรรมอะไรไว้ต้องใช้ฟ้าก็พาจะมาแล้ว ลากตะตันยายเอาข้าวไปถวายพระแล้วไปกินใช้เองเอาไปกินใช้เองพระมันดีอะไรเดี๋ยวมันก็ซึบไปเหนือมาใต้แม่มันกินทําไมยายจับได้หลานจะเป็นเ ป, นปรตปล่าทลุเข็มกินอะไรไม่ได้นะหลานนะอย่าทําอย่างนี้ต่อไปเลยยายให้ไปถวายพระให้ไปกินใช้เองนะหลานตั้งแต่นั้นมาก็จําจดจดจำดูที่จะเป็นเปรตจริงนะ พอขอหักก็ใส่เฟือกเข้าไปแล้วกินข้าวไม่ได้ต่อน้ำหยอดโยมทวัดกับโยมเตียงหยอดน้ำหยอดข้าวเคี้ยวข้าวเขาเลือดไหลเคี้ยวข้าวเขาก็เลือดไหลเพราะเฟือกมันขดขมับเลือดไหลเมเมเมเมกินน้ำก็ไม่อิม่มโยมเตียงโยมทวัดถามดูได้เอาน้าหยอดายหลอยกาแฟ ยาชีลาหยดกิ้งไม่อิมมอ่มเลยกิงไม่อิ่มเลยหิวกินก็ไม่อิม่มเยนท้วยมาหยอดหน่อยยอดก็โยน เ, เตียงบอกเลี้ยขหยอดเองเอามาเทข้าลูกตาหมดเทพระอุกกาศไปเลยเราก็เป็นกรรมนึกถึงยายได้เลยยายหลานจะเป็นเปรตปาทลิลเข้มกินอะไรไม่สะดวกดังที่กล่าวแล้วอาตมาเป็นเปรตมาแล้วนี่ยอดีต ก, กรรมที่เราต้องใช้ ไม่มีการแก้ได้แต่กรรมใหม่จะต้องไม่ทำเรารู้เหตุการณ์แล้วนี่ยังนี่เป็นตอนกรรมฐานแก้กรรมได้ไหมแต่กรรมได้ไหมได้ได้เลยนะมีหลายเรื่องจะขอยกแต่เรื่องเดียวที่มันฝังใจมานานเมื่อปศ2500ที่วัดนี้อาตมามาอยู่2499เป็นเวลานาน40ปีแล้ว ว่าจะสร้างความดีถึงข น, นาดนี้นะอย่าใช้เวลานานมากขอฝ่ากท่านนางหลายไว้ด้วยไม่จะทำง่ายอย่าความดีเนี่ยเหมือนงั้นก็ดีหมดทุกคนเป็นพระเอกหมดทุกคนเป็นนางเอกหมดทุกคนไอตัวกองตัวอิจฉาลิชยาเนี่ยมันมันประกอบเรื่องมานไม่มีบารมีไม่เกิดเราเสิร์ฟทิ้งพระเอกนางเอกต้องสู้นะเหนว่อยากยังไงก็ต้องเอาละไอคนตัวประกอบไอตัวหาเครื่องเนี่ยมาได้เรื่องอะไรแล้ว ไม่ได้เลี้ยงคือดนตรีคือไอาหางเครื่องเต้นก็อยู่ น, น้าแนไม่ได้หยิบได้ดีครับแต่ตัวดีคือตัวตัวทำงานตัวหลักฐานที่งานทำนั้นเป็นประโยชน์แก่ชีวิตมากาามมาเนี่ยตมานี่ฝังใจตลอดเลยนะในร้อยโทศูนย์การทหารปืนใหญ่ลบบุรีมาบวชที่นี่แต่ไม่ใช่บวชหลังนี้นะเป็นบวชหลังเก่าตั้งหลายไม่ทันบวชหลังเก่าล้อ มันนานปีแล้วสองพันห้าร้อยจุดสองเบ็ดโน่นต่างลือโบสโบสถมันพังสร้างปีหกเดือนโบทหลังนี้เสร็จนี่โบสธนารายมหาลาศอันนี้สากฤิตมากการทำดีด้ดีทำชั่วเดชัช่วเห็นชัดเลยนะเนือโบสถพนายมหาลาศในโบสถสดท่านมีศิลาจารึกฝังไว้นในท่านข้าประธานอันนี้เนี่ยเราจึงรูประวัติเหตุการณ์ในโบสนี้ได้ เป็นวัดเก่าแก่ข้งกรงเทียโยธยาและจตห์ดีมีมานานแล้วมีมานานจตไม่มีของเก่าให้ท่านดูแลมีแต่ของใหม่ตลอดการใมร้อยโทรมาบวชปูยปยปย่ยีปู่ยามกับปู้หญิงหญิงเลียเขาเมียเขาหัวเขา้าเท้งนั้นกามาก็บอกว่าหมวดขอบิญญ บ, บาทเลยอย่าไปปูย่ยีปู่ยามเลยผมไม่เชื่อบุญบาปไม่เชื่อแน่นอนก็เหตุดาย กัผู้หญิงเมียเขานี่ยมันตกลงกับผมผมก็ตกลงกับเขาเมื่อเราไปซื้อของอขายแม่ค้าเขาขายตกลงการอย่างนั้นจะเป็นบาปจะยังไรเราต้องนิ่งไอผู้เหมวดคนนี้เน่ยเอาไหนเลยฮะทําไมมาบวชเราไม่เชื่อบุญบาปมาบวชทําไมเราขอกราบเรียนประเดชตะคุณว่าแม่ผมกับกับพ่อกับท่านน่ยชอบกันตั้งแต่ท่านอยู่วัดพรมบุรีวัด บ, บุรีรอย แม่ผมมาถอกระถึงสร้างบวสองครั้งที่วัดโน้นทันทันมาอยู่นี่อ็หนิบอาจจะมามาอยู่นี่สิบเอี่วนะอาจจะวันทั้งวันนะขอฝากไว้เลยก็แม่ผมเนี่ยต้องการให้ผมบวชว่าแม่แก่แล้วขอร้องผมมาเป็นคนลูกสุดท้องพี่น้องมีอยู่เก้าคนพี่น้องมีมากผมเป็นคนสุดท้องแม่ผมก็ปาาสิกว่านะแล้วแคนใหนมาบวชผมจึงมาบวชล้ว เอาล่ะไม่เป็นไรไม่เชื่อไม่เป็นไรหมวดแล้วไม่เอาไหนเลยเขาทําวัดการก็ไม่มาทําไปไปนั่งดูลูกโป๊ะเรก็บอกไม่ได้นะหมวดแต่หากว่าเราไม่เกรงใจแม่เา้าเราจะลายศึกพอโบรมดาชานุวะญาติมาร้อยยี่สิบวันเป็นในร้อยโทนักเรียนในร้อยจอบลอและภรรยาก็เป็นอาจารย์สอนตุลาด้วยอันนี้มันเป็นภาพจิตของประวัติศาสตร์หวงประทับ เอาละหมวดไม่เชื่อไม่เป็นไรตอนศึดเอาละหมวดเชื่ อ, อยางไม่เชื่อเอาจอดไว้เลยไม่มีลูกสาวมั่อแล้วไปผมมีลูกสาวสองคนแล้วครับเอาละดูต่อไปว่าโกฎแห่งกรรมมันจะมาอย่างไรติดตามผมต่อไปนะหมดนะศึกไปแล้วไม่มาเลยเป็นตนเป็นพันเอกมาก็ม า, มาให้เราแก้กรรมมันไม่ได้เลยในเวลาการต่อมาที่ดูที่กฎแห่งกรรมจะได้ไหม มีแบบพ่อแม่จ้างความไม่ดีกับลูกทําไม่ถูกไว้กับหลานชัดเจนมากเจ้าหมอดคนนี้ก็มีลูกสาวสามคนมีลูกชายสองลูกสาวสามคนเข้าวหมาัย ไ, ไม่ได้เลยเลี้ยนเก่งรสอบไม่ได้เข่าวไรไม่ได้ั้งหมดแล้วก็ไปร้องเพลงสามโฮเทนไปร้องเพลงสามโฮเตนในนี้เป็นทันเอสดนะ้วยตั้งแต่ร้อยโทไปทันเอสด้านพิเศษด้วยเป็นเสด้วยอยู่กรุงเทพนะั้น เลยก็ลูกสาวกลับมาก็เมาล่ยลูกสาวออกจากบ้านเตะทั้งรองเทา้าบอกว่าเอาละเลือดสามก้อนโยนลงทะเลไปลูกสาวก็ชี้หน้าพ่อว่าพอนะแผ่นดินไม่จบหน้าจะไม่กลับมาแล้วก็ออกจากบ้านไปหอดไปเวลานานพอสมควรนะเลยเพื่อนของนายพันเอกพิเศษนี้ก็ไปเที่ยวพัทยาไปเจอนางแดงทนี่ชื่อแดงเนะื้อไปเจอนางแดง เอาแดงมาอยู่ไงนี่ตะวันแล้วนะนี่เรามาเที่ยวนะอา้าวพ่อมาไงล่ะนี่เพื่อนเพื่อนเขาพ่อเขาเลยก็เล่าให้ฟังว่าพ่อเท่ไล่ออกจากบ้านมาเลยหนูก็ต้องมาหากินอย่างนี้นะตอบให้ฟังให้ชัด ก, ก็คือเป็นโฉบพนีทั้งสามคนเป็นโฉบพนีหมดเลยก็พ่อแม่จะรู้ได้ก็จากในพันเอกเป็นเพื่อนที่ไปเจอมาที่พัทยาไปหากินทางขายตัว เลยพอกลับมาเพื่อนกลับมาก็ไปหาเพื่อนนี่เพื่อนเนี่ยอีแดงไปไหนเรียกมาดูซินิ่งเงียบแล้วก็อีน้องแดงไปไหนสองคนนิ่งเงียบเอาละมึงนิ่งเงียบกูจะเล่าให้มึงฟังลูกสาวมึงไปเป็นโสเภณีพัทยานะกูไปเจอมาตะวันแล้วตะวันแล้วพ อ, อดีเปิดไฟเข้ากูก็จำหน้าลูกมึงได้ แล้วกูมาบอกมึงอย่างเงี้ร้องไห้เลยไมียาได้ทราบข่าไปอาจารย์ก็ร้องไห้นี่ลูกเป็นศสเภีหมดสามคนเลยนี่กฎแห่งกรรมใช่หรือไม่นี่แหละอาตมาบอกว่าไม่มีลูกสาวบ้างแล้วตายชัดเจนนะกระวาดซาตอ๊บันทึกเป็นหลักฐานถ้าเขาอนุญาตนะก็จะลงกดแห่งกรรมไปแล้วก็บอกเสียหายเขาไม่ลงหลัง น, นั้นลงเล่นหนึ่งเลยนะต่างชติเล่นหนึ่งไปต้นไปนานแล้วในเวลาการต่อมานะ เขาก็เสียใจเสียใจก็ไปโค้นไปสุธีได้ก็ไปดูหมายเหตุวาตมาเขียนเองเลยไม่มีลูกสาวมั่งเร่าป่าเลยก็เป็นความจิงบอกหมกดแ็นตําเนี่ยของแน่นอนเลยก็พากันมาที่วัดนี้หลายปีผ่านมาแล้วพามาวัดนี้ก็บก่าหลวงพ่อจำได้ไหมอ้าวจำเป็นใครร้อยโทรสองพันห้าร้อยที่ผมมาบวชที่นี่ตอนที่วัดนี้บวชหลังเก่าอ่ะ โดนลังเก่าแล้วก็สวนมาปลางกับสวนมะม่วงกับสวนป่าตานตานนะมตตน่ะมีจอบไปเรร้อยจอบอาระชถูกต้องอารานึกได้แลจําได้มาทําไมเป็นความจริงชะแล้วครับหลุกษาผมออกผมไล่ออกต่อบ้านไปหมดเลยไปเป็นออย่างนั้นจริงๆแล้วมาทําไมมาให้หลวงพ่อแก่หลวงพ่อแก่ม่ได้คนไหนเป็นคนทําคนนั้นต้องแก่จะจะทำงานผมจะแก่อย่างไงครับ เอาละลาพาร้อนมานั่งกรรมฐานเขาก็ลาพาร้อนมาน like e. ั่งกรรมฐานเอาพระมาเก้าองค์บอกขอโหดิกรรมที่ลูกเตะลูกน่ยเป็นบาปลายลูกจากบ้านเนี่ยเป็นบาปต้องโหดิกรรมให้พระยาถาสับพีให้ก่อนเดี๋ยวพระยาถาสับพีให้เป็นอันว่าโหดิกรรมให้เดี๋ยวพนั่งกรรมฐานที่ลาพาร้อนมาก็ที่ส่วนอุดสอขอขอให้ลูกอยู่เย็นเป็นสุขขออยู่เย็นเป็นสุขเท่านี้พอ ในเวลาการต่อมาเขาพารากลับไปลูกกลับมาหมดสามคนแล้วก็พามาที่วัดนี้กอพามาแล้วถามว่าแดงทำไมหนูบอกว่าดินไม่กรบหน้าจะไม่กลับมาจะกลับมาทาไมเล่ากลับมาทำไมเขาเล่าให้จมาฟังว่าวันที่แาดลูกเขาสามคนอยู่หัวหินบ้างอยู่แยกกันหากินคิดถึงพ่อกับแม่เวลาเดียวกัน คิดถึงตอนที่แม่กับพ่อแพ้แม่จะให้ลูกชัดเจนมากชัดเจนแล้วก็ดอกกับพ่อมาเขาอย่าไปลือฟื้อเรื่องเก่านะอย่าไปว่าเขานะแต่เขามาทํำไม่ดูไม่ชี้ใช่เพียงแต่ว่าโอ้ลูกเอ๋ยพ่อคิดถึงนะแม่คิดถึงพูดตอนนี้พออย่าไปพูดมากจนกว่านี้ก็พาลูกมาที่นี่ธรรมะบอกว่าทําไมเองไม่กลับจะกลับมาทำไมเล่าบอกว่าคิดถึงแม่กับพ่อ ตอ น, น, นที่ปาเหมือนกันหมดทุกคนนี่แหละตอนที่แผแ่เมตตาได้ผลนแน่ขอฝากดูไปฮนะจะยอมลูกมันหนีหายจากบ้านช่องไปถ้ายังไม่ตายแต่เมตตาไว้อย่าไปด่าลูกอย่าไปไล่ลูกเดีย๋ยวลูกกลับมาแน่นอนเท่านี้เองไม่ต้องไปหาหมอดูหรือเข้าเจ้าทรงช่วยหรอเราช่วยตัวเองได้ผลนแน่ที่นี่ประทับไว้หลายเรื่องนายกดแทร์ตามนะแต่อ่านกันดูซิ ขอฝากไว้ลูด ก, กลับมาจะมาบอกเอาละแดงอยู่วัดเลยหลวงพ่อช่วยเอาละพอแม่กลับเดี๋ยวหาผ้าผ่อนให้เสร็จเดี๋ยวอยู่กรรมาฐานเอาเจ็ดวันเลยสิบห้าวันหนูเอาิห้าวันเราก็ดูแลอย่างดีสอนอย่างดีด้วยตอนนั้นคนกับปรมฐานยังไม่ค่อยมีแล้วกับตึกลามยังไม่มากมาเท่าสมัยนี้เลยแดงกับน้องสองคนตั้งใจปฏิบัติกรรมาฐานน้ําตาร่วงทุกวัน น้ำตาหยดทุกวันเลยคิดไม่ดีกับพ่อแม่กับเจ๊งแต่อย่างนี้จึงเข้าหมหาลัยไม่ได้ลูกอยากจะร้องเพลงพ่อก็ไม่ให้ร้องแม่ไม่ให้ร้องก็คิดไม่ดีเป็นอกุศล ก, กับกรรมอ่อนตอนเองมากมายในสุดก็บอกหลวงพ่อคะเอาละให้โอวาทหนูหนูจะขอกราบ น, นมัตการลาหนูจะเป็นลูกที่ดีของบิ ด, ดามารดาจะเป็นเศรษที่ดีของอุปชาอาจารย์ตั้งแต่บัดนี้ แต่จัดหนูต่อไปหลวงพ่อเขาดูหนูหนูจะต้องเป็นพลเมืองดีของชาติต่อไปเขากลับไปแล้วก็สามคนร่วมสมัครสมารมนรักใคร่กันดีแล้วก็พากัไปเรียนต่อที่ลามคำแหงจบในใ น, ในปีแรกนะ้าขอโขออภยัยจบในครั้งนั้นจบแล้วไปต่อตุลากานอีกเดี๋ยวก็ดีอีกได้สามีดีหมดตกบ้านคนละหลังคนละหลังเขาก็เคยมาช่วยไหวพรวันเป็นประจำ แต่แล้วจะออกชื่อเขาไม่ได้เขาบอกว่าให้พูดได้แต่ออกชื่อไม่ได้แล้วก็เขาก็มีหลักฐานมีผัวดีหมดมีบ้านใหญ่แล้วสามีภรรยาก็รับการจการสืบมาจนวันนี้นี่กรรมาฐานแก้กรรมได้แน่นอนขอฝากว่ายังมีเรื่องอยู่มากมายก็หมดเวลาแล้วก็ขอฝากท่านประเดชประคุณพระอาจารย์ธรรมจาริกทุกท่านเลื่องจริงที่วันนี้ทั้งนั้น <N> นี่แหครับทีแล้วประสบประการณ์มาเองผมเองประสบรการณ์เรื่องกรรมมาโดนหมดแล้วขอหากแขนหากขาหากโดนน้ำร้อนลวกไฟลวกแล้วรับจานตนเก่าใช้นี่นะใช้ยายแล้วไนะด้รับขาตานยายสบานว่าให้ฟ้าผ่าฟ้าผ่าแล้วขี่กุฏีเราเน้นได้รับกรรมหมดแล้วท่านทั้งหลายโปรดเอาไปสํานึกสมัญญาสอนขี้แจงต่อประชาชนได้ถูกต้อง พระพุทจาบอกอะไรนะสอนกดเหตุกรรมนะสอนเหตุสอนผลสอนคนให้มีปัญญาสอนคนให้มีฐานะดีสอนคนให้รวยให้สวยให้ดีให้มีปัญญาให้รวยยังไงก็ให้มีบริจาคทานให้สวยยังไงก็มีสติสัมปชัญญะเป็นศีลเป็นธรรมให้รวยให้สวยให้ดีก็นางภาวนาให้มีปัญญาด้วย มีหลักฐานมีงานทำมีคู่ครองประทองแทนเดียวกันมีมือรับผ่านในสังคมต่อไปถูกต้องนะไม่ใช่นั่งไปสวัน์นั่งไปมิพานนะต่พรุ่งนี้เมเวลาอีกก็จะพูดเรื่องแก้ไขชีวิตแก้ไขทุกข์อย่างไรติดตามฟังในวันพรุ่งนี้ต่อไปขออนุโมทนาจารุ ก, การแก่ท่านทั้งหลายพรุ่งนี้จะบรรยายเรื่องทุกข์ก้กได้ตรงไหน ทุกร้อนทุกออกทุกใจแน่ยมาอกพบอยู่ในใจจะแก้ยังไริดตามฟังในโอกาสวันพรุ่งนี้ต่อไปถ้าโอกาสให้ชมบอกให้ทราบโดยขึ้นนาการข อ, ขออาาัญมณีกุญประและตระหนักรายบุญบุญชนทั้งหลายโปรประทานพรให้ท่านทั้งหลายทั้งท่านธรรมจาริกเทลานุเทละตลอดกระทั่งพิชุนว ก, ตกะตะตว่าข้าโยมหญิงโยมชายโยมพอ่อโยมแม่โยมลูกโยมห ล, ลาน มามาระชมาคีสร้างความดีในกรรมาฐานโดยถุนากาันจงประสบแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองวัฒนาสถาพรในคุณธรรมนี้ขอ ง, งอกงามไพยบูรในพระพุทธศาสนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยถุนากาันขอทุกท่านจงเจริญไปด้วยอายุวันนะถูขาภละปฏิภาณขนาฌานชมบัิ นึกทฤษจึงนึงประการได้ชมความหมาตตานาด้วยการทุกขรุกทุกนามณโอกาบัตรนี้เทินชาปโลข้าวินิโ ม, มตตสัพบาสันกาวาลิโตสัพอาเวรร ม, มาติ การตนียนุตตนจากตุวันเมียนริยาลิยาจากตุสัมตเวนจากตุมาเต เทเรัะเมญจางวนชาปัญโนจันตารโลธรรมวันชาติอายุวันนอนสุขันอาลังกาปาพุทธานุวาเรนะสัต ปาทามาโนมาเวนาสัตปาจัมปาโนมาเวนาตัวคาลาจันนังมาลาจันนังคันาลาจันังเปนนาจันนังอมาเ จากตูราเซนตสหัสจากธรรมขันธ์การเวนะปิตาการกานุภาเวนะจินทร์ธรรุภาเวนะสัตเอเตโลงสัตเตเตภยชา เทวตยานายาจพยนต